การแต่งงานกับการบวชจุดมุ่งหมายของการบวชก็เพื่อต้องการละกิเลสและการละกิเลสเป็นเรื่องที่จะบังคับเอาดื้อๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีอุบายมากมายการบวชซึ่งหมายถึงการสละครอบครัวหรือสละโลกแล้วไปบวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีหรือบวชเป็นฤาษีโยคีหรือจะบวชเป็นชีประขาวบวชเป็นแม่ชี หรือจะบวชโดยวิธีไหนก็ตามความหมายของการบวชก็คือการอยู่เป็นโสดไม่มีครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับทางกามารณมและจากเรื่องที่พระพเจ้าได้อธิบายมาแล้วท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่สามารถจะไปบวชแล้วทำให้กิเลสน้อยลงได้จริงๆนั้นจิตใจจะต้องสูงพอส่วนผู้ที่บวชเพราะความกดดันเช่นอยู่ในทางโลกไม่มีความสุข เพราะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หรือเพราะอะไรก็ตามจึงไปบวชซึ่งจุดหมายแห่งการบวชของเขาไม่ใช่อยู่ที่ต้องการจะไปปฏิบัติในทางสมาธิหรือวิปัสสนาโดยตรงแต่บวชเพื่ออย่างอื่นการบวชแบบนี้มีอานิสงส์น้อยที่สุดและส่วนมากของผู้ที่บวชแบบนี้ถ้าบวชอยู่นานก็มักจะทำให้กิเลสพอกผูลยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น การบวชอยู่ในเพศบรรพชิตซึ่งถ้าหากไม่ได้ผลในทางทำให้กิเลสน้อยลงแล้วก็เท่ากับไม่ได้บวชนั่นเองชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากการที่นักบวชได้รับความยกย่องจากคนทุกชั้นก็เพราะในที่สุดทุกคนจะต้องก้าวไปสู่ชีวิตแบบนักบวชทั้งสิน้นการบวชจึงเป็นจุดหมายขั้นสูงของชีวิตทุกประเภทไม่มีใคร ซึ่งถ้าไม่ได้บวชแล้วจะพ้นทุกได้และก็ไม่มีใครอีกเหมือนกันซึ่งถ้าไม่เคยบวชมาเลยแม้ในอดีตชาติแล้วจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นบุคคลในระดับสูงแม้ในทางโลกก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมว่าการบวชหมายถึงการบำเพ็ญเนขมะบารามีเนฆามะมีความหมายอย่างไรบ้างเคยที่บายมามากแล้ว เพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักอันนี้เราก็จะพบว่าการบวชเป็นของจำเป็นจริงๆและจำเป็นแก่คนทุกๆคนด้วยแต่ก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากจิตใจของเรายังไม่สูงพอที่จะไปเป็นนักบวชที่ดีได้เราก็ไม่ควรจะบวชนอกจากจะเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อให้ได้มีโอกาสอบรมจิตใจของเราให้สูงขึ้นบ้าง แต่นั่นก็ต้องหมายความว่าต้องเป็นไปในช่วงที่เราศรัท ธ, ธาต่อการบวชจริงๆและได้เตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะบวชก็ถ้าหากจิตใจของเรายังไม่สูงพอหรือเรายังมีพันธะในทางโลกที่จะต้องทำและรับผิดชอบอีกามากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้บวชเหมือนกันซึ่งจะเห็นได้จากบทบัญญัติที่ว่าผู้จะบวช จะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่และจะต้องไม่เป็นทาาหรือมีหนี้สินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสำหรับคนที่ยังบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนให้เราบวชอีกแบบหนึง่งคือบวช ด, ด้วยการแต่งงานถึงแม้ว่าการแต่งงานจะเป็นเหตุทำให้เราต้องมีพันธะในทางโลกมากขึ้นก็จริงแต่ ในเมื่อเราไม่มีทางอื่นที่จะอยู่เป็นโสดโดยไม่มีความกดดันการแต่งงานก็เป็นของจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณธรรมของผู้แต่งงานสี่อย่างตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ผู้ที่แต่งงานหรือผู้ที่มีครอบครัวต้องมีการฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วยมิฉนั้นแล้ว การแต่งงานแทนที่จะมีผลทำให้ราคาตันหาน้อยลงก็กลับจะทำให้เจเรตอันนี้หนาแน่นยิ่งขึ้นข้อที่น่าสังเกตก็คือผู้ที่ไปบวชเป็นพระพิษุในพระพุทธศาสนา น, านั้นถ้าหากละเมิดสินสีข้อเบื้องต้นกล่าวคือเป็นปรารชิกในข้อใดข้อหนึ่งในบรรดาสีข้อนี้ก็จะขาดจากความเป็นพระทันที และพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบผู้ที่เป็นอาบัติปราชิกว่าเหมือนตานยอดด้วนซึ่งหมายความว่าถึงแม้จะเป็นพระต่อไปก็ไม่มีความเจริญในทางธรรมแล้วถ้าขืนอยู่ต่อไปก็มีแต่จิตใจจะต่าลงใกล้ต่อนรกเข้าไปทุกทีและในคำพีก็ได้เคยทอ่ธิบายไว้ว่าผู้ที่เป็นอาบัติปราชิกนั้นถ้าหากได้เปิดเผยตัวเอง คือยอมรับผิดต่อสงแล้วซึกออกมาเป็นคารวาดและตั้งใจปฏิบัติธรรมอีกเขาก็ยังมีหวังที่จะบรรลุมรรคผลได้ซึ่งหลักอันนี้มีอธิบายไว้ในคำทีอัตถกถาตอนอธิบายถึงเรื่องอักขิกะขันทวปมาสูตรจงสังเกตว่าวินัยที่พระจะต้องปฏิบัติและจะละเมิดไม่ได้เลยนั้นมีอยู่สี่ข้อซึ่งในสี่ข้อนี้ ถ้าพระองค์ใดไปละเมิดเข้าก็จะขาดจากความเป็นพระทันทีคือแปลว่าการอยู่เป็นพระต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ละเมิดวินัยสีข้อนี้ก็ยังมีความเป็นพระอยู่คารว่าสธรรมคือธรรมของผู้ครองเรือนก็มีอยู่สีข้อถ้าหากว่าผู้ที่แต่งงานมีความมุ่งหมายเพื่อจะบรรเทาจิเลด หรือเพื่อต้องการจะสร้างจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าผู้ใดแต่งงานแล้วไม่ปฏิบัติอยู่ในธรรมสี่ข้อนี้การแต่งงานก็ไม่มีประโยชน์ในอันที่จะสร้างจิตใจให้สูงขึ้นมีแต่จะทำให้จิตใจต่าลงกิเลสหนายิ่งขึ้นคาวะสรธรรมเป็นเรื่องที่คาววาทั่วไปควรจะศึกษาให้ละเอียดพระผู้ที่แต่งงาน ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วมีหวังว่าจะต้องตกนรกทั้งเป็นคือในชีวิตของการแต่งงานจะมีแต่ความทุกข์ทรมานสร้างแต่วิบากที่ไม่ดีอยู่เสมอโดยปกติคนที่จะมีความรักต่อกันครั้งแรกมักจะอาศัยรูปร่างเป็นสื่อสําคัญชีวิตของการแต่งงานจะร่าเริงและแจ่มใสเพียงไรขึ้นอยู่กับรูปร่างมากกว่าอย่างอื่น แต่นี่ก็เป็นแต่เพียงปัจจัยเบื้องต้นเท่านั้นเพราะคนที่อยู่ด้วยกันถ้าหากไม่มีความดีต่อกันอย่างเพียงพอแล้วความสวยงามเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถที่จะช่วยคู่แต่งงานมีความสุขแต่ถึงกระนั้นถ้าหากผู้ใดได้แต่งงานกับคนที่ตนเองรู้สึกว่าสวยที่สุดก็จะทำให้ผู้นั้นร่าเริงแจ่มใสามากซึ่งความจริง เขาจะสวยจริงหรือไม่ไม่สําคัญความสําคัญอยู่ที่ว่าถ้าต่างฝ่ายก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งสวยก็เป็นอันว่าใช้ได้เพราะเรื่องความสวยงามขึ้นอยู่กับความนิยมหรือความเคยชินที่ได้รับการอบรมมาคนที่ตนเองเห็นว่าสวยคนอื่นอาจจะเห็นว่าไม่สวยก็ได้หรือคนที่คนอื่นเห็นว่าไม่สวยตนเองอาจจะเห็นว่าสวยก็ได้ เรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมตามความเคยชินเท่านั้นในตัวเขามันเองไม่ค่อยจะมีเหตุผลอะไรถึงหากจะมีบ้างก็เป็นเรื่องที่สมมติกินขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนที่แต่งงานกันแล้วถ้ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่มีสเสน่ห์ไม่ทำให้เกิดความพิศวาสชีวิตของการแต่งงานก็จะจืดชืดไม่ร่าเริงแจ่มใสเท่าที่ควร ความงามเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างจึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ก็อย่าลืมว่าความงามเป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้นหรือเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นยังไม่ใช่สาระอันแท้จริงของการแต่งงานคู่แต่งงานคู่ใดถ้าหากต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าคนที่ตนเองรักนั้นมีความงามจับใจ และในเวลาเดียวกันก็มีความดีหลายอย่างคู่แต่งงานประเภทนี้จะมีความสุขมากและการที่จะประพฤติตามคุณธรรมสี่ประการก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเพราะมันเหมือนกับผู้ที่บวชพระด้วยศรัทธาจริงๆและบวชเพื่อหวังลาคิเลสไม่ใช่หวังอย่างอื่นผู้ที่บวชเป็นพระเช่นนี้จะรู้สึกว่าการปฏิบัติตามวินัยเป็นสิ่งที่ไม่ยาก ตนเองเต็มใจที่จะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์จริงๆคือถึงแม้จะมีโอกาสล่วงละเมิดก็จะไม่กล้า ท, ทาทั้งนี้ก็เพราะตนเองมีศรัทธาในการบวชในทำนองเดียวกันผู้ที่แต่งงานเพราะมีความรักในความงามของกันและกันและในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็มีความดีหลายอย่างด้วยซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายรักกันด้วยความบริสุทธิ์ โดยไม่ได้เห็นแก่เงินหรือฐานะใดๆทั้งสิน้นผู้ที่แต่งงานในลักษณะเช่นนี้จะปฏิบัติคาระวะสีธรรมได้โดยไม่ยากและถ้าหากทั้งสองฝ่ายได้ศึกษาให้เข้าใจถึงความมุ่งหมายของการแต่งงานมาเป็นอย่างดีแล้วพร้อมทั้งได้ศึกษาถึงธรรมต่างๆที่ผู้ครองเรือนควรจะปฏิบัติชีวิตการแต่งงานของคนประเภทนี้จะมีแต่ความเจริญ และจะมีความหมายสมกับที่กล่าวว่าการแต่งงานก็คือการบวชอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่แต่งงานในลักษณะดังที่กล่าวมาจิตใจจะสูงขึ้นโดยลำดับความกดดันต่างๆก็จะค่อยๆน้อยลงนี่คือประโยชน์อันแท้จริงของการแต่งงานอย่าลืมว่าการที่จะถือได้ว่าการแต่งงานคือการบวชอย่างหนึ่งนั้น ผู้ที่แต่งงานจะต้องมีคารวาศธรรมต่อกันจึงจะมีผลในทางทำให้กิเลสเบาบางและจิตใจสูงขึ้นด้วยพรหมวิหารสีแต่อย่างไรก็ดีการที่จะให้มีผลออกมาในลักษณะนี้การแต่งงานจะเริ่มต้นด้วยความใคร่หรือด้วยอารมณ์รักอย่างเดียวไม่ได้และจะแต่งงานเพื่อเห็นแก่จะสร้างฐานะภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้ หลักสำคัญที่สุดก็คือก่อนที่จะแต่งงานจะต้องเข้าใจความหมายและประโยชน์อันแท้จริงของการแต่งงานให้ดีสะก่อนและการแต่งงานนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้เหตุผลคู่กับอารมณ์และโดยเฉพาะคือจะต้องสำรวจดูจิตใจของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเพราะรักเขาเพราะบูชาในความดีหรือว่าเพราะเห็นจความงาม หรือเพราะแรงดันของกิเลสอย่างเดียวและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องสํารวจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขารักเราเพราะอะไรถ้าหากความรักไปหนักหน่วงอยู่ที่รูปร่างหรือความยียวนในทางกิเลสเป็นส่วนใหญ่แล้วการแต่งงานก็คือการลงนรกดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าไม่มีฝ่ายใดจะร้อนแรงเท่ากับฝ่ายคือราคะ และอีกบทหนึง่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษของกามดื่มด่ำอยู่แต่ในกามเราย่อมกล่าวว่าเขาผู้นั้นจะต้องมีคติเป็นสองคือไม่ตกนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอันที่จริงคนเราถ้าหากไม่มีความรักคือความพิสว่าต่อกันและกันแล้วการแต่งงานก็ไม่สู้จะมีความหมายอะไรและโดยเฉพาะ จะไม่สามารถแก้ความกดดันได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงแนะนําว่าคนเราควรจะแต่งงานตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวแต่ถึงกระนั้นถ้าหากตนเองไม่สามารถจะประพฤติอยู่ในคาราวะธรรมได้ก็แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้มีความรักด้วยบริสุทธิ์ใจแต่ในระยะแรกที่ความรักยังเข้มข้น ยังเต็มไปด้วยความพิศวาสอย่างมากมายนั้นต่างฝ่ายต่างก็จะรู้สึกว่าตนสามารถประพฤติอยู่ในคาราวะธรรมได้แต่ในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีความดีอย่างเพียงพอที่จะยึดน้ําใจกันไว้ได้ด้วยความรักอันบริสุทธิ์คือความรักที่ประกอบด้วยคุณธรรมและมีเหตุผลแล้วในไม่ช้าก็จะพบว่าฝ่ายที่ขาดคุณธรรมนั้น ความไม่ซื่อความเห็นแก่ตัวหรือความคิดที่จะเอาเปรียบจะค่อยๆแสดงออกมาครั้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าตนเองจะรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้แสดงนิสัยที่ไม่ดีแบบนี้ออกมาก็จะเริ่มเกิดความทุกข์ทรมานเพราะความไม่พอใจความเกลียดชังได้เริ่มก่อตัวขึ้นและถึงแม้ว่า ยังคงรักเขาอยู่เพราะความพิศวาสแต่ก็จะทนอยู่ได้ไม่นานหรือถึงแม้จะทนได้นานแต่มันก็จะมีความทุกข์ทรมานคอยแผดเผาอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้หลักธรรมอันหนึ่งที่ว่าคนที่แต่งงานแล้วควรจะได้มีการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาด้วยจึงจะทำให้กิเลสค่อยค่อยน้อยลงนั้นข้อนี้ไม่ต้องพูดถึง เพราะเขาจะไม่มีทางทําได้เลยและเมื่อทําไม่ได้ก็ย่อหมายถึงกิเลสจะต้องพอกทูลขึ้นความเร่าร้อนจะมีมากขึ้นและถ้าหากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความรักต่อกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยังต้องการซึ่งกันและกันเพราะความผูกพันในเรื่องของความพิศวาสซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็หมายถึงความทุกข์ทรมานจะมีมากขึ้น และราคาตัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนานก็จะทำให้เพื่อนจิตใจเสียมากขึ้นโดยลำดับและถ้าหากอยู่ได้การต่อไปนานๆถึงแม้จะมีฐานะดีมีความเป็นอยู่สะดวกสบายแต่ในเมื่อความรักยังเต็มไปด้วยอารมณ์เหตุผลยังไม่มีเช่นนี้ฐานะทางการเงินหรือฐานะทางชื่อเสียงก็ไม่อาจจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขได้ ซึ่งตัวอย่างเช่นนี้เราจะพบเห็นทั่วไปในครอบครัวที่มีฐานะดีแต่เขามีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นเสมออันหนึ่งความรักแม้จะประกอบไปด้วยเหตุผลไม่ได้รักด้วยอารมณ์และก่อนที่จะแต่งงานก็ได้คิดอย่างรอบครอบแล้วและได้เตรียมไว้พร้อมทุกอย่างแล้วไม่มีความลำบากในเรื่องความเป็นอยู่ก็ตามแต่ถึงกระนั้น ความรักดังที่กล่าวมานี้ก็ยังทรม า, านาจใจคนได้เผาจิตใจคนได้ในเมื่อความสงบภายในมีไม่พอเพราะความร้อนแรงที่เกิดจากซันหาราคาจะเผาอยู่เสมอยิ่งในคู่แต่งงานที่ขาดคราวาสธรรมด้วยแล้วความเร่าร้อนก็ยิ่งจะมีมากขึ้นตัวอย่างเช่นนี้เราจะพบเห็นเสมอจากครอบครัวที่มีฐานะดีแต่ไม่สนใจธรรม สนใจแต่ในทางโลกอย่างเดียวแต่ในระยะแรกปัญหายุ่งยากต่างๆจะยังไม่เกิดขึ้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายยังมีความรักต่อกันดีอยู่และต่างฝ่ายก็เอาอกเอาใจซึ่งกันและกันสำหรับครอบครัวอย่างนี้เมื่อเรามองดูอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่าคู่แต่งงานคู่นี้มีความสุขแต่ที่แท้แล้วไม่มีความสุข ถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบทําอะไรเอาแต่ใจตนเองไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมีทิฐิมานะมากและมีความหึงหวงมากสําหรับคู่แต่งงานประเภทนี้ในไม่ช้าก็จะพบว่าความพิศวาสที่มีต่อกันนั้นจะเริ่มจืดจางโดยเฉพาะฝ่ายชายซึ่งเป็นฝ่ายที่มักจะมีโอกาสแสวงหาความรักจากหญิงอื่นได้ง่ายนั้น ความต้องการอยากเปลี่ยนก็จะเริ่มมีขึ้นถึงแม้ฝ่ายหญิงก็เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในใจแต่การแสดงออกอาจจะไม่ค่อยปรากฏเพราะฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสแสดงความรักกับชายอื่นเพราะจะทำให้เสื่อมเสียในทางสังคมและอีกประการหนึ่งในเมื่อตนเองแต่งงานแล้วผู้ชายอื่นก็ไม่อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เว้นไว้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากและตัวเองก็มีทีท่าที่จะสนองตอบและมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชายอื่นได้ง่ายถ้าหากอยู่ในฐานะเช่นนี้ฝ่ายหญิงก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับฝ่ายชายทั้งนี้ก็เพราะความรักที่ร้อนแรงด้วยความพิศวาสแต่ขาดคุณธรรมอย่างเพียงพอนั้นจะเหมือนกับไฟฟางลุกง่าย แต่ก็ดับง่ายและไม่รู้จักพอหรือไม่รู้จักอิ่มในเรื่องการมารมและเป็นของแน่นอนว่าความรักจะหยุดยั้งอยู่เพียงคนคนเดียวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเหมือนกับคนที่ติตในรศของอาหารเป็นคนที่ตามใจตัวเองในเรื่องการกินจนเคยตัวคนประเภทนี้กินอาหารซ้ำๆอยู่บ่อยๆไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนรสอยู่เสมอ และเมื่อยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งทาให้เบื่ออาหารที่มีอยู่ประจำวันซึ่งถ้าหากเป็นอาหารที่จาเจและถ้าหากเขามีโอกาสที่จะออกไปรับประทานอาหารข้างนอกได้ บ, บ่อยๆเพราะเป็นคนมีฐานะการเงินดีเราก็จะพบว่าเขาจะเที่ยวสออแสแวงหาอาหารที่มีรสแปลกๆหรืออาหารที่ใครๆเขาชมกันว่าเป็นอาหารชั้นดี ในเรื่องของการมารมก็เหมือนกันถ้าหากจุดหมายของการแต่งงานไปมุ่งอยู่แต่เรื่องของการมารมเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นของแน่นอนว่าในไม่ช้าเขาก็เริ่มจะรู้สึกเบื่อคู่แต่งงานของเขาทั้งนี้ก็เพราะความต้องการอยากเปลี่ยนหรืออยากลองและถ้าหากได้มีโอกาสเปลี่ยนได้ง่ายๆความเบื่อต่อสามีหรือต่อพันยาจะค่อยๆเริ่มมีขึ้น และในที่สุดความรักก็อาจจะพินาศลงในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคอยขัดขวางหรือแสดงความหึงหวงออกมาบ่อยๆความรำคาญหรือความไม่พอใจเพราะเหตุที่ถูกขัดขวางอันนี้ก็จะเริ่มกลายเป็นความเกลียดชังความพิศวาสที่เคยมีก็ค่อยๆหมดไปทั้งๆ ท, ท, ที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ความสวยก็จะช่วยเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ และยิ่งกว่านั้นในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเริ่มแสดงความไม่ซื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็จะค่อยๆหมดความรักหมดความพิศวสาสหากตนเองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้บ้างเขาก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าโอกาสไม่มีเขาก็จะมีแต่ความแค้นความขุ่นเคืองหรือไม่ก็ความเสียใจความทรมานใจอยู่เสมอและในตอนนี้เราก็จะพบว่า ฐานะทางการเงินช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้แต่คนประเภทนี้ก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเงินถ้าเงินมีไม่พอก็ยิ่งจะเดือดร้อนมากขึ้นในที่สุดชีวิตของการแต่งงานก็จะกลายเป็นนรกดังเช่นแม่ของสานุสัมมณีนได้กล่าวเตือนลูกชายซึ่งคิดจะสืบว่านาร ก, กาอุพโตตาตะ นรกังปฏิตุมิชสิแปลว่าแม่ได้ยกลูกขึ้นมาจากนารกแล้วลูกยังปรารถนาที่จะตกนรกอีกหรือและอีกบทหนึง่งเส่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนทิกสุที่คิดกลับไปสู่กามมิกว่ามาเตกามคุเนพมัสุจิตตังมาโลหะคุลงังคิลีปมัตโต มากานททุกขะมิทันติไทาหามาโนแปลว่าเธออ่าหมุนจิตไปในกามเธอจะได้หลงกลืนก้อนเหล็กแดงนิฉะนั้นแล้วเธอจะต้องคร่ำครวญว่าทุกจรเพราะถูกความร้อนเผาอยู่เสมอการมีความรักหรือมีความพิศวาสในเพศตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ใครๆก็ละได้ยากมันเป็นเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้คนเราต้องทาตาม และ ท, ทั้งที่เราก็รู้อยู่เสมอว่าความเดือดร้อนมันจะต้องเกิดแน่แต่ก็ช่วยไม่ได้และเราจะเห็นได้ว่ากิเลสอันนี้ได้นำความทุกข์มาสู่คนเรามากมายเหลือเกินและทางที่จะแก้ความเดือดร้อนอันนี้ก็มีอยู่ทางเดียวกล่าวคือถ้าหากเราไม่สามารถจะสละโลกไปบวชได้เราก็ต้องต่อสู้กับมัน แต่การสู้กับกิเลสตัวนี้ถ้าหากเราไม่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัวนี้เราก็จะมีแต่ความพ่ายแพ้และตกเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นโดยลำดับพอให้พิจารณาดูอย่างนี้คนที่ชอบกินชอบเปลี่ยนรถและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้มากในที่สุดจะเป็นอย่างไรคนที่มีนิสัยชอบดื่มและมีโอกาสที่จะดื่มได้ บ, บ่อย ในที่สุดจะเป็นอย่างไรคนที่ชอบเล่นการพา น, านันชอบเที่ยวก็เหมือนกันคือยิ่งตามใจตัวเองมากขึ้นเพียงใดก็มีแต่จะจมลึกลงในห่วงเหวแห่งความชั่วและความทุกข์ทรมานมากขึ้นเพียงนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือกิเลสจะหยาบหนายิ่งขึ้นหนาแน่นยิ่งขึ้นทางนี้เพราะอะไรก็เพราะพื้นเดิมขาดคุณธรรมอย่างเพียงพอ จึงไม่มีอะไรที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ในเรื่องกามารมก็เช่นเดียวกันแค่ร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องที่กล่าวมาแล้วหลายเท่าเพราะรสแห่งความพิศวาสทำให้คนหลงหลและติดใจยิ่งกว่ารสอะไรทั้งหมดและทำให้คนเรามืดมัวยิ่งกว่ากิเลสอื่นๆคนที่ตามใจในเรื่องนี้โดยไม่นึกถึงศีลธรรมเราจะพบว่าความรัก ซึ่งที่จริงก็คือความใคร่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับของสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นโดยลำดับคือขาดเหตุผลบังคับตัวเองไม่ได้แต่แล้วจะร้ายแรงยิ่งกว่าของสัตว์หลายเท่าเพราะสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปมันจะเกิดความรู้สึกในทางนี้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูการของมันเท่านั้นและมันไม่มีการยียวนไม่มีการยั่วยาไม่มีการตกแต่ง ไม่รู้จักหาวิธีให้แปลกหรือให้พิสดารให้วิถีฐานไปในรูปต่างๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกของมันจึงไม่ลุกลามไปง่ายแต่ของคนแล้วตรงกันข้ามมนุษย์เรามีการยั่วยาวและหาทางที่จะยั่วให้กิเลสอันนี้ลุกโตรงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่ถือเรื่องการมารมเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนั้นเราจึงพบว่า คนเหล่านี้มีความวิษฐานต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะเรียนหนังสือจะทำงานจะไปในงานสังคมทุกอย่างก็มีจุดหมายเพื่อกามารวมเป็นจุดสาคัญและจะถือเงินเป็นพระเจ้าและจิตอยู่ในวัตถุมากเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาหรือเรื่องอะไรก็ตามที ที่ไม่ทำให้เขาได้เงินได้ชื่อเสียงได้สิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่สนใจเลยจุดหมายของคนประเภทนี้จึงมีอยู่แต่เพียงเรื่องกินเรื่องกามารมณ์และเรื่องเกียรติซึ่งทั้งสามอย่างเกี่ยวข้องกันคือหากินก็เพื่อกามารมณ์สแสวงหาเกียรติก็เพื่อกามารมณ์และสแสวงหากามารมณ์ก็เพื่อเกียรติ เขาได้ถูกกิเลสหลอกล่อให้วนเวียนอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้หลุดออกไปไม่ได้และในเมื่อเป็นมนุษย์มีความฉลาดความสามารถและมีโอกาสดีกว่าสัตว์มากมายแต่จุดหมายของชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ผิดไปจากสภาพของสัตว์เดรัจฉานเพราะขาดคุณธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะไม่ไปไหนเลยนอกจากลงนรกหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น